คอนโดหลอนกลางกรุงริมแม่น้ำเจ้าพยากับวิญญาณสาวที่คอยหาหนุ่มหนุ่มหน้าตาดีไปอยู่ด้วยสัมภัสสยองเรื่องพวกนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่วันนี้สัมภัสสยองจะมาเล่าประสบการณ์ของน้องผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ได้พบเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวน่าขนลุกตั้งแต่เข้าไปอยู่ที่คอนโดแห่งนี้ให้ได้ฟังกันเพื่อเป็นรูทาห o r n เตือนใจสำหรับคนที่จะเลือกซื้อเลือกอยู่ที่ไหนให้ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่จะได้ไม่มาเสียใจในภายหลังและขอแทนชื่อของน้องผู้หญิงคนนี้ว่าเม่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเมเองลักคงไม่มีใคร อยากเจ้าคนในครอบครัวที่เสียไปมาล้อเล่นกันหรอกคอนโดแห่งนี้เมย์ไม่ได้ซื้อแต่เมอยู่ในฐานะผู้เช่าด้วยความที่บ้านเก่าของเมอยู่ในกรมทหารละแวกนั้นเมเลยคุ้นชินกับแถวนั้นมากพอได้ออกมาอยู่ข้างนอกเมย์ก็เลยคิดว่าจะอยู่ที่ใหม่ทั้งทีขอเป็นที่ดีๆหน่อยในหัวเมก็คิดแต่ว่าอยากจะอยู่คอนโดคอนโดแถวนี้ก็สร้างใหม่เยอะแยะ แถมติดกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยเมย์ก็เริ่มดูคอนโดละแวกนั้นทีละแห่งฮุดได้ว่าดูครบทุกคอนโดที่อยู่ในย่านนั้นเลก็ว่าได้แต่อะไรไม่รู้ทำให้เมเลือกคอนโดแห่งนี้เมขอไม่เอ่ยถึงรายละเอียดของตัวคอนโดมากนักวิวด้านทิศใต้ของตึกนี้ห้องนี้ที่เมย์จะเช่าอยู่ถ้าอยู่ชั้นสูงสูงขึ้นไปหน่อย ก็จะเห็นเป็นวิวแม่น้ําเจ้าพญาชัดเจนสวยงามมากคอนโดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะสูงเรียกว่าสูงมากในย่านนั้นเลยแต่เมเลือกที่จะเช่าอยู่ชั้นล่างสุดเหตุผลที่เมเช่าอยู่ชั้นล่างสุดเป็นเพราะแม่เม่ค่อนข้างไม่ชอบที่สูงเอามากๆพอมาอยู่ชั้นต่ำหน่อยก็มองไม่ค่อยเห็นแม่น้ําสักเท่าไหร่แต่ก็ยังได้รับลมจากแม่น้ําอยู่วิวจากห้องของเม พ้มองออกมาจากทางระเบียงจะเป็นเหมือนชุมชนที่มีบ้านคนมีวัดมีต้นไม้ขึ้นอยู่เยอะแยะมากมายดูแล้วเหมือนป่าพอตกลงที่จะเช่าเสร็จสับเรียบร้อยพวกเราก็ย้ายเข้าไปอยู่คนที่อยู่ด้วยก็มีเมยแ ม, แม่น้องชายแล้วก็ลูกเมยอายุ6ขวบและลูกในท้องอายุสองเดือนห้องที่อยู่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนัก แต่ด้วความที่พวกเราเคยอยู่แฟตท ห, หารมาก่อนเคยอยู่เป็นห้องๆแบบนี้อยู่แล้วเรื่องขนาดก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยเราสามารถอยู่กันได้เพราะส่วนของห้องครัวห้องน้ำจะแยกออกไปมีประตูกั้นอย่างชัดเจนอาทิตย์แรกที่เข้าไปอยู่จากที่เมย์ดีๆอยู่เมย์ก็เริ่มรู้สึกไม่สบายรู้สึกแขนชาขาชายืนแทบจะไม่ได้มันชาไปหมด เมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วเมก็เสิร์ชใน Google ก็ขึ้นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆนานาเมกลัวมากก็เลยไปหาหมอเพื่อตรวจรักษาพอมหมอตรวจก็ได้ยามากินอาการก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่เมนอนฝันว่าเมนั่งอยู่บนรถแท็กซี่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเมซึ่งผู้หญิงคนนี้ เมไม่รู้จักเลยแล้วจูจ่ๆเขาก็หันหน้ามาอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็บีบคอเมยแล้วใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปจากใบหน้าที่ดูสวยก็กลายเป็นใบหน้าที่มีเลือดอยู่เต็มไปหมดแล้วเมยก็สะดุ้งตื่นขึ้นตอนนั้นเมย์ก็คิดว่าเมแค่ฟันร้ายคงไม่มีอะไรแต่ก็มีสิ่งที่แปลกอยู่อีกก็คือลูกชายของเมอายุหกขวบเขาตื่นขึ้นแล้วก็ร้องไห้ บอกว่าหนูฝันเห็นผีเมก็คิดว่าลูกคงจะฝันร้ายแล้วก็เลยกลัวตามประษาเด็กๆเมเลยถามลูกไปว่าไหนบอกแม่มาสิผีที่หนูเห็นเป็นยังไงผู้ชายหรือผู้หญิงลูกเมก็ตอบกลับมาว่าผู้หญิงค่ะแล้วก็ร้องไห้อีกเมก็เลยโอบปลอบลูกสักพักลูกก็เงียบไปหลังจากนั้นลูกก็ไม่ได้ฝันเห็นอะไรแบบนี้อีก แล้วลูกเม่ก็ลืมฝันร้ายนี้ไปตามประษาเด็กที่ลืมง่ายผ่านไปเมย์ก็ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดแห่งนั้นมาเรื่อยๆเม่ย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดนี้ตอนปลายเดือนมิถุนายน2559พอมาถึงต้นเดือนธันวาคมเม่ก็ต้องบินไปหาแฟนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมย์อยู่สวิตเซอร์แลนด์ได้สองเดือนกว่าๆ ก, ก็บินกลับมาไทย ซึ่งเป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2560พอมาถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์วันนั้นเป็นวันสิ้นเดือนพอดี28กุมภาพันธ์2560มันเป็นวันที่เมย์จำได้ดีเป็นวันที่เมย์จำได้ขึ้นใจและคงไม่มีวันลืมเพราะมันคือวันที่เมย์เสียใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้วันนั้นตอนประมาณ6โมงเย็นแม่เม ชวนเมย์ออกไปหาซื้อกับข้าวข้างนอกกินเมย์ก็ออกไปกับแม่แล้วก็ลูกชายของเมย์จะเหลือแต่น้องชายของเมย์ที่นอนอยู่ที่ห้องคนเดียวซึ่งก่อนออกไปถาทางทุกอย่างก็ดูปกติมากดูไม่ผิดสังเกตอะไรน้องเมย์นอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟาใส่หูฟังและคงดูรายการเป็นต่อหรือเล่นเฟซบุ๊กเล่นยูทูบเปิดเพลงแบบที่เคยทำประจำก่อนออกมา น้องเมก็พูดกับแม่ว่าแม่ขอตังค์หน่อยร้อยหนึ่งแม่เมีก็เลยบอกว่าไม่มีเศษตังค์ลูกแล้วแม่ก็เดินไปรูปผมน้องบอกกับน้องว่าเดี๋ยวแม่มาไปแป๊บเดียวจะไปหาซื้ออะไรมาให้กินกลับมาค่อยเอาตังค์นะลูกแล้วเมีกับแม่ก็ออกจากห้องกันมาพอออกมาได้ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าเสียงโทรศัพท์ของแม่เมก็ดังขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดที่เมย์อยู่โทรเข้ามาเจ้าหน้าที่ถามแม่เมว่าขอโทษนะคะใช่คุณที่พักอยู่ห้องชั้นเก้าเบอร์ห้องนี้หรือเปล่าคะแม่เมก็บอกอ๋อใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเจ้าหน้าที่ก็บอกกับแม่เมว่าพอดีว่าเสียงสัญญาณเตือนที่ห้องมันดังนะคะเสียงนั้นมันเป็นเครื่องตรวจจับที่ติดอยู่บนเพดานในห้อง เวลามีไฟไหม้หรือมีควันไฟเยอะๆซึ่งเครื่องนี้จะส่งเสียงร้องสัญญาณเตือนขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็พูดต่อว่าพอไปเคอประตูก็ไม่มีใครเปิดไม่ทราบว่ามีใครอยู่ที่ห้องหรือเปล่าคะแม่เมเลยบอกว่ามีนะคะมีลูกชายนอนอยู่ในห้องคะ่ะลองเคาะประตูดูอีกครั้งนะคะเดี๋ยวจะรีบกลับคะ่ะพอแม่เม์วางสายเลยเล่าให้เมฟัง เมย์เลยคิดว่ามันจะดังได้ยังไงพยายามคิดในแงด่ดีน้องสูบบุหรี่ในห้องเหรอไม่น่าใช่ควันบุหรี่คงไม่ได้มากมาอยอะไรขนาดนั้นหรือว่าน้องหิวรอไม่ไหวเลยทำอะไรกินเองพอสัญญาณเตือนดังแล้วมีคนมาเคาะประตูแล้วรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของคอนโดน้องเลยกลัวเลยไม่กล้าเปิดประตูหรือเปล่าตอนนั้นเมย์คิดอยู่แค่นั้นจริงๆ แต่ใจหนึ่งมันก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกใจมันวิวๆิวเต้นตุบตุบพอมาถึงที่คอนโดภาพที่เมเห็นก็คือด้านล่างของคอนโดคนจะเยอะมากคนเต็มไปหมดซึ่งปกติทุกวันจะไม่เยอะขนาดนี้เมก็เลยรีบขึ้นรีบไปที่ห้องพอรีบเปิดออกที่ชั้นเมย์อยู่คนก็เต็มไปหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเรารีบเดินไปที่ห้อง เห็นประตูห้องเปิดอยู่มีคนอยู่ในห้องสี่ถึงห้าคนได้แม่มีเลยถามว่าตกลงว่ามีอะไรกันเหรอแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลเดินเข้ามากันแม่เมีกับเมยเอาไว้บอกว่าอย่าพึ่งเข้าไปแม่เมีก็เลยถามว่าทำไมก็อยู่ห้องนี้ทำไมจะเข้าไม่ได้แม่มีมองเข้าไปในห้องก็เห็นโซฟาตัวที่น้องชอบนอนแต่ตอนนั้น ไม่เห็นน้องแม่เม่เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าแล้วลูกชายฉันล่ะอยู่ไหนเข้าห้องน้ำเหรอพอแม่ทําท่าจะเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็ได้ห้ามไว้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกกับแม่ว่าคุณแม่คะคุณแม่ใจเย็นๆนะแล้วทําใจดีๆไว้นะคะแล้วเขาก็ยื่นโทรศัพท์เปิดรูปให้แม่ดูแล้วถามแม่ว่า ใช่ลูกชายของคุณแม่หรือเปล่าคะพอแม่เมเห็นรูปเท่านั้นแหละแม่เมก็ร้องไห้แล้วเป็นลมล้มพับลงไปกับพื้นเลยเมก็เลยขอดูรูปนั้นซึ่งพอเห็นแค่แว บ, บเดียวเท่านั้นเมก็รู้ได้ทันทีเลยว่านั่นคือน้องชายของเมเมปล่อยโฮแล้วสุดลงไปกองที่พื้นแทบจะเป็นลมรูปนั้นที่เมเห็นก็คือน้องชายของเม นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ใส่กางเกงกีฬาแค่ตัวเดียวเสื้อไม่ได้ใส่ปกติแล้วน้องเมย์จะชอบเป็นคนแต่งตัวสะอาดสะอา้านทําไมเลือกกระโดดลงไปโดยใส่แค่กางเกงกีฬาตัวเดียวแบบนั้นเจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่โทรไปบอกว่ามีสัญญาณเตือนดังที่ห้องเขาโกหกเพราจริงๆแล้วน้องเมย์กระโดดลงไปเสียชีวิตแล้วแต่เขา ไม่อยากบอกแม่มีผ่านโทรศัพท์เท่านั้นตอนนั้นทุกอย่างมันมืดมิดไปหมดมันเกิดขึ้นเร็วมากตั้งตัวไม่ทันคำถามพุดขึ้นมาในหัวมากมายว่าทำไมทำไมน้องถึงทำแบบนั้นน้องเป็นอะไรทำไมไม่พูดคุยกันทั้งทั้งที่ก็ยังดีๆกันอยู่ทำไมมาจากกันไปทิ้งกันไปแบบนี้มันเสียใจมาก มันเจ็บมากจริงๆน้องเมในตอนนั้นอายุ21ย่างเข้า22ซึ่งน้องได้สมัครเข้าเกณฑ์ทาหารในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่จะถึงอยู่แล้วและตอนเช้าของวันที่น้องเมจะเสียน้องเมก็ได้โทรศัพท์ไปหาพ่อบอกว่าน้องอยากบวชให้พ่อกับแม่ก่อนจะไปทาหารบวชสัก7 9ถึงวันพ่อเมอก็ตอบตกลง แล้วก็โทรมาคุยกับแม่เม่เรื่องน้องว่าน้องขอบวชก่อนไปเป็นอาหารแม่เม่ก็ยินดีดีใจปลื้มใจที่น้องจะบวชให้พ่อกับแม่แม่เตรียมลองใส่ผ้าไหมผ้าถุงให้เมดูว่าแม่จะใส่ชุดนี้ในวันบวชน้องเมก็คุยกับแม่ว่าจะบวชแบบบอกแค่คนสนิทหรือจัดเป็นพิธีบอกคนมีดนตรีมีโต๊ะจีนไปเลย แม่เมก็เลยบอกให้ลองคุยกับพ่อดูเดี๋ยวแม่จะหาเรือกบวชเร็วๆนี้วัดตรงกับวันไหนพอตกลงกันเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอตกเย็นน้องเมกก็กระโดดคอนโดจากพวกเมย์ไปแบบไม่มีวันกลับอีกเลยมักจะมีคนบอกว่าเวลาคนจะบวชมักมีมารมาผจนแต่ก่อนเมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ตอนนี้ เมเชื่อแล้ว1 0ออร์ซแต่เมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้อย่างเดียวหรือเปล่าหรือน้องอาจจะมีอะไรในใจเมเลยเอาโทรศัพท์น้องมาเปิดดูประวัติการโทรเช็คข้อความในเฟ e บุ๊กว่าได้คุยหรือปรึกษาอะไรกับใครบ้างหรือเปล่าซึ่งทุกอย่างก็คุยดูเป็นปกติดีล่าสุดน้องก็พิมพ์ข้อความไปหาเพื่อนทาง Facebook ก่อนที่น้องจะกระโดดตึกประมาณหนึ่งชั่วโมงข้อความที่น้องพิมพ์นั้นได้กล่าวถึงการชักชวนเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งให้มาเล่นฟิตเนสกันที่คอนโดของเขานี่คือข้อความล่าสุดซึ่งทุกอย่างมันดูปกติมากจริงๆและยังมีคนเล่าให้เมฟังอีกว่าก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนที่คอนโดแห่งนี้ตึกนี้แต่เป็นคนละชั้นกับเมก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น มีฝรั่งหน้าตาดีคนหนึ่งกระโดดลงมาเสียชีวิตเหมือนกันด้วยความที่เม่ทุกข์ใจกังวลใจหลังจากงานศพน้องจบลงเมก็ได้ไปหาพ่อปู่ท่านหนึ่งท่านเป็นพ่อปู่ที่เมนับถือมากเพราะเมไม่รู้ว่าเม่จะต้องพึ่งพาทางไหนแล้วจริงๆและเมแค่อยากรู้ว่าตอนนี้น้องเมจะเป็นยังไงบ้างน้องอยู่ที่ไหนหิวไหม เพราะจากที่แม่เคยได้ยินมาคนที่ฆ่าตัวตายจะเป็นคนที่บาปหนักมา ก, <meu S 1> มากจะไม่ได้ผุดได้กเกิดจะต้องวนเวียนฆ่าตัวตายอยู่อย่างนั้นในเวลาเดิมๆทุกๆวันซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง500อชาติเมเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อในเรื่องพวกนี้พอสมควรตอนนั้นเมก็คิดแต่ว่าอยากจะช่วยน้องเมมีอะไรที่พอจะช่วยได้ จะทําให้น้องหลุดจากบ่วงกรรมนี้หรือพรนหนักให้เป็นเบาได้บ้างมเมื่อเมย์ไปถึงบ้านพ่อปู่ที่มักจะทรงภาพพิคเนตหรือทรงท่านเท้าเวสุวรรณวันนั้นท่านทรงเท้าเวสุวรรณเมก็ก้มลงกราบท่านท่านก็ถามว่าวันนี้มีเรื่องอะไรเป็นอะไรถึงมาเมเลยบอกว่าลูกอยากจะมาดูเรื่องน้องชายที่เพิ่งเสียไปคะ่ะอยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาว่า มันกระโดดตึกเมสดุงแล้วคนลุกไปทั้งตัวเลยคนเราจะตายได้หลายแบบมากทำไมท่านถึงดูฉันรู้ฉันเห็นจากนั้นท่านก็หลับตาพร้อมกับพูดว่าอืมมันหน้าตาดีนะตัวสูงแต่ถ้าเธอเห็นสภาพของน้องเธอในตอนนี้เธอจะรับมีได้แล้วพ่อปู่ก็อธิบายว่ามีเลือดอยู่เต็มไปหมด หน้า อ, อกขวายุบลงไปตอนที่กระโดดลงไปหัวไม่ได้กระแทกพืน้นแต่ช่วงหน้า อ, อกกระแทกทําให้กระดูกหักขั้วหัวใจฉีกขาดซึ่งมันตรงกับใบมรณะบัตรที่แพทย์ได้ทําการชนะสูตรศพเลยแล้วในใบมรณบัตรก็ลงสาเหตุการต า, ตายว่าขั้วหัวใจฉีกขาดเมยเลยถามท่านว่าทําไมน้องถึงต้องทําร้ายตัวเองแบบนั้นคะ ทำไมน้องถึงเลือกที่จะไปฉันเห็นผู้หญิงผู้หญิงอยู่ที่นั่นเมก็ตกใจแล้วถามว่าเธอคนนั้นเป็นใครท่านก็บอกว่าเขาอยู่ที่นั่นมานานแล้วอยู่ก่อนที่คอนโดจะสร้างเสร็จสะด้วยซำ้ำพ่อปู่บอกเมว่าน้องไม่ได้อยากไปแต่ตอนนั้นเหมือนจะเคลิมหลับอยู่อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเรียกมาจากทางระเบียงของห้อง แล้วก็เหมือนกับว่ามีใครพาลุกเดินแล้วเดินไปที่ระเบียงประตูกระจกเลื่อนตรงระเบียงมันปิดอยู่ใช่ไหมเมย์ก็นึกถึงก่อนที่เมย์จะออกมาจากห้องใช่มันปิดอยู่เพราะว่าเปิดแอร์พ่อปู่ก็เลยบอกว่าน้องของเธอไม่ได้เปิดเองนะเขาเปิดให้เพระน้องของเธอมารู้สึกตัวอีกทีก็ลงไปนอนอยู่ข้างล่างแล้วกระอักเลือดอยู่3ามสี่ครั้ง แล้วก็หลับไปเลยเมื่อได้ยินพ่อปู่ท่านเล่าทุกอย่างออกมาเป็นฉากๆเมก็นึกภาพตามแล้วร้องไห้ออกมาแต่เมก็ยังคิดสงสัยอยู่ว่ามันเป็นไปได้จริงหรอวิญญาณจะมีพลังอำนาจถึงขนาดพาคนคนหนึ่งให้ไปกระโดดตึกตายได้เลยเหรอพ่อปู่ท่านก็เหมือนจะรู้ว่าเมคิดอะไรอยู่ท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าน้องเธอตอนนั้น่ะ อยู่ในช่วงดวงตกจิตตกนะวิญญาณผู้หญิงคนนั้นเขารออยู่แล้วเขาอยากให้น้องเธอไปอยู่ด้วยพ่อปู่เล่ารายละเอียดต่างๆให้เมฟังอีกเยอะมากและเมก็ได้คุยกับน้องสื่อสารวิญญาณกับน้องด้วยทุกเรื่องที่พ่อปู่พูดทุกเรื่องที่พ่อปู่ทักมันไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ตรงเลยเพราะมันตรงหมดทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้ต่างๆของน้อง ของที่เขาหวงอยากจะมอบให้ใครพ่อปู่ท่านพูดเหมือนกับตาท่านเห็นทุกสิ่งเลยพ่อปู่ท่านบอกกับเมกว่าคอนโดแห่งนี้ถ้ายังมีคนอยู่ก็จะมีคนกระโดดลงมาแบบนี้เรื่อยๆไม่ใช่ตัวตายตัวแทนแต่มันเป็นคนที่เขาอยากเจ้าไปอยู่ด้วยที่น่าสังเกตก็คือคนที่กระโดดคอนโดแห่งนี้เท่าที่เมรู้มาจะเป็นผู้ชายทุกคน แล้วก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุไม่มากเรื่องนี้ถึงบอกใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จะดีกว่าที่เมย์มาเล่าพ่อเมประสบพบเจอกับตัวเองจริงๆและมีเพื่อนเมย์อีกหลายหลายคนที่พอจะมีเซนทั้งเรื่องพวกนี้บอกกับเมทีหลังว่ารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ขึ้นลิฟที่คอนโดแล้วยิ่งพอมาถึงตรงทางเดินยิ่งรู้สึกแปลกพอมองออกไปตรงระเบียงห้อง ยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าบอกเมเพราะกลัวเมจะกลัวสัมผัสสยอง